ยังได้มาปลื้มใจอยู่การที่ได้มาศึกษาประวัติของพระเถระอย่างนี้เนี่ยเกิดเป็นเป็นบ่อเกิดแห่งความศรัทธาอย่างดีเลยคือได้สังคานุสติการระลึกถึงคุณของพระอริยะสงฆ์ตามความเป็นจริงนะไม่ได้โกหกจนเกินเลยไปเป็นเรื่องกล่าวตามความเป็นจริงที่ท่านได้มีอยู่าะฉะนั้นเราทั้งหลายเนี่ยก็ สามารถที่จะถึงคุณของท่านได้เนี่ยมาด้วยด้วยโดยการระลึกถึงแล้วก็ศรัทธาอยู่บ่อยๆทีนี้จะขอย้อนกลับมานะเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องของการถวายทานแกพระมหากระสปะเทระนั้นเป็นเรื่องขั่นเรื่องเดิมนั้นเป็นเรื่องที่ท่านบำเพ็ญบรารมีมาในสมัยของ ที่ท่านได้เป็นพระราชาชื่อว่านันทราชนันทราชนั้นก็มีมีมีปัญญาเหมือนกันมีปัญญาเหมือนกันขอย้อนเล่าไปนิดหนึ่งว่าเมื่อเป็นพระราชาแล้วเนี่ยก็ต้องการจะถวายทานอันยิ่งใหญ่เลยคือจะถวายแก่พระราหารันเพราะนั้นพระราชเทวี ซึ่งก็เป็นผู้มีปัญญาเช่นกันก็เลยอธิษฐานอุโบสถตั้งแต่เวลาเช้าแล้วหมอบลงหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะัเบื้องบนปราสาทแล้วตรัสว่าถ้าพระหัต์ทั้งหลายมีอยู่ในทิศนี้พรุ่งนี้เช้าขอให้มารับอาหารของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดแต่ทิศนั้นไม่มีพระหัต์ พวกราชบุรุษก็นำวัตถุทานนั้นไปให้แก่คนกำพรายาจกเสียคือก็ให้เลยละ่ะแต่ว่าบุคคลที่สมควรจะรับเนี่ยคือเป็นผู้มีศีลบ่ที่สุดเนี่ยไม่มีก็ไม่เป็นไรก็อธิษฐานต่อไปจนกระทั่งนะได้จริงๆนะได้จริงๆคือได้พระปัจเจกพุทธเจ้าห้าร้อยรูปนะซึ่งเป็นบุตรของนางปรุมปุมวดี มีพระมหาปทุมปัจเจกพุทธเจ้าเป็นประมุขพระปัจเจกพุทธเจ้ารับนิมนต์ก็พากันห่ะมาลงที่ประตูพระราชวังทางทิศเหนือเพื่อรับทยายทันของพระราชาและพระราชนีพระราชาก็นมัสการแล้วรับบาท พร้อมนิมนต์นพระประเจพุทธเจ้าทั้งหมดขึ้นไปบนปร า, าสาทถวายทายทานแก่พระปัะเจรพุทธเจ้าทั้งหลายที่ปร า, าสาทนั้นในเวลาฉันจังหันเสร็จแล้วพระราชาทรงอภิวาสลงตรงหน้าของพระสังฆเถร ะ, ะพระราชาเทวีก็ทรงอภิวาสลงตรงหน้าของพระสังฆคณวกะคือพระประเจรพุทธเจ้ารูปสุดท้ายแล้วก็ขอปฏิญญาณ น, นะคือกล่าว ขอให้สัดจ่าว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายขอท่านทั้งหลายอย่าได้มีความลำบากด้วยปัจจัยเลยขออย่าให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายเสื่อมจากบุญเลยขอท่านทั้งหลายจงให้ปฏิญญารับคำนะเพื่ออยู่ณนะที่นี้จนตลอดชีวิตของข้าพระเจ้าทั้งหลายเถิดคือคนฉลาดเนี่ยเขาไม่ต้องการในชีวิตเขาเสื่อมจากบุญเราจะเสื่อมอะไรก็เสื่อมไปนะมันต้องเสื่อมอยู่แล้วชีวิตนะ่ ไม่มีใครหรอกที่มีชีวิตแล้วไม่เสื่อมเนไม่มีหาไม่ได้จะเสื่อมญาติเสื่อมพี่น้องเสื่อมทรัพย์เสื่อมเกียรติเสื่อมตําแหน่งเสื่อมแล้วมันเสื่อมโดยปกติเป็นปกติแต่บุญในอย่าเสื่อมเขาให้ทําเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าบอกเลยว่าศีลและปัญญาเนี่ยอย่าได้เสื่อมที่ของที่เสื่อมที่สุดเลยในชีวิตของมนุษย์เนี่ยไม่มีอะไรรุนแรงยิ่งไปกว่า มิจฉาทิฏฐิที่เรียกว่านิยะตะมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดที่ดิ่งไปสู่นรกแน่นอนคือเห็นโดยไม่สงสัยว่าทานมันไม่มีผลนะทานใ ห, ให้มีการให้แต่ผลไม่มีการบูชาไม่มีการเส้นสวงไม่มีกรรมไม่มีผลกรรมไม่มีโลกหน้าไม่มีตายแล้วสูงนะแต่เห็นอย่างนี้แล้วก็มันเสื่อมหมดที่จะเสื่อมแล้วนะไม่มีอะไรเสื่อมกว่า น, นี้อีกแล้ว รนะเสื่อมอะไรเสื่อมไปแต่อย่าเสื่อมจากบุญโดยเฉพาะความเห็นถูกสัมมาทิฏฐิเนี่ยต้องเห็นไว้เสมอว่ากรรมมีผลกรรมมีนะครับกรรมเนี่ยเป็นของเราสมบัติของเราจริงๆกรรมเนี่ยนะมันผู้ให้ผลทุกอย่างในชีวิตไม่ใช่อย่างอื่นเขาให้กรรมเนี่ยนำไปเกิดนะกรรมเนี่ยติดตามไปกรรมเนี่ยเป็นที่พึ่งให้ความสุขได้ต้องเห็นอย่างนี้นะจึงจะไม่เสื่อม เพราะนั้นเรานี่หนีไม่พ้นหรอกความเสื่อมอชีวิตเรานี่มันก็อยู่กับความเสื่อมหรือเป็นไปกับความเสื่อมนั่นแหละแต่คนฉลาดเขาให้เจริญบุญเอาความเสื่อมเนี่ยมาทาความเจริญซะเอาความเสียหายมาทำประโยชน์ว่ากันง่า ย, ายเหมือนอย่างพระราชาราชิดีทั้งคู่นี้หลังจากตัดอนรัถนาพระปะเจพุทธเจ้าเป็นที่ตกลงแล้วก็โปรดให้สร้าง ที่อยู่อาศัยขึ้นห้าร้อยหลังที่จงกรมห้าร้อยแห่งไว้ในพระราชอุทยานแล้วทรงอาราธนาให้พระประเจกระพุธเทธเจ้าอยู่ในพระราชอุทยานนั้นอันนี้เป็นเหมือนตัววัดนะแต่ว่าไม่ต้องไปสร้างให้เป็นวัดพอพระราชอุทยานกนะว้างขวางก็สร้างที่พักให้เป็นป่าต่อมาภายหลังที่พรมแดนของพระราชาเกิดข่าศึ ก, กําเริบขึ้น พระราชาตัดสั่งพระราชเทวีว่าเราจะไประ ง, งับศึกที่พรมแดนเธออย่าประมาทในการปฏิบัติพระปฏิเจกพุทธเจ้าทั้งหลายก็คือการทำบุญนั่นแหละไปถวายทานไปฟังธรรมไปรักษาศีลบูโบสดไปกราบไหว้บูชาอยู่แล้วพระราชาก็ต้องไปปราบค่าศึกเป็นพระราชาก็มันห่วงเรื่องอำนาจของตนเองนะใครจะมาล่วงเกิน เขตดินแดนอำนาจของตัวเองเนี่ยไม่ได้ต้องไปปราบกันซะหน่อยหนึ่งมันไม่เหมือนความดีนะถ้าเรามีความดีของเราแล้วเนี่ยอำนาจความดีของเราเนี่ยใครจะมาแบ่งใครจะมาแย่งชิงมาล่วงเกินอะไรไม่ได้เห็นได้อย่างไรก็เทพบุตรทั้งสามมีจูนร ถ, ถะเทพบุตรเป็นต้นเขามีอนุภาพความดีความดีเขาก็ยิ่งใหญ่แพ่ออกไปจากตรีละนัะนะ คือแสงแสงสว่างออกไปจากตนนะใครจะมาทำลายไม่ได้แต่ว่าไออำนาจอย่างอื่นนมันไม่แน่บางทีมก็มีคนอื่นมาเบียดเบียนมาล่วงเกินมาทำลายทาลายกันได้นะขณะที่พระราชายังไม่ได้กลับพระนครคือไปปราบข้าศึกเนี่ยก็ต้องไปนานหน่อยอายุสังขารของพระประเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นก็สิ้น และดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปโดยเฉพาะพระมหาปทุมปัจเจกพุทธเจ้านี่เข้าฌานอยู่ตลอดสามยามพออรุณขึ้นก็ยืนพิงพนักปรินิพานนะคือไม่ได้นั่งหรือนอนยืนพิงพนักทั้งหมดเลยทั้งห้าร้อยรูปนะพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายก็ปรินิพานในลักษณะเดียวกันนะเหมือนกันหมดเรียกว่ายืนตายนะ ไม่ไม่นอนตายคือท่านจะไม่ได้ผ่านในลักษณะใดก็ได้นะเพราะว่าท่านเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสติเนี่ยในเช้าวันนั้นพระราชเทเวีก็โปรดให้จัดอาสนะไว้คอยต้อนรับพระประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วก็คอยดูที่ต้นทางที่พระปร ะ, ประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายเคยมาอยู่เมื่อล่วงกําหนดเวลาไม่ทรงเห็นมาเลยสักลูกเดียว ก็ตัดใช้ให้บุรุษคนหนึ่งไปดูว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจะอาพาธหรืออย่างไรบุรุษนั้นก็ไปถึงที่อยู่พระประเจพุเทธเจ้าแล้วเปิดประตูบรรณาศาลาของพระมหาปทุมประเจับพุเทธเจ้าเข้าไปดูก็ไม่เห็นก็ไปยังที่จงกรมได้เห็นยืนพิงพนักอยู่แสดงว่าที่จงกรมคงจาเป็นที่มีที่นั่งพักด้วยนะก็ไม่รู้ว่าปณิธานนะจึงยกมือไหว้ แล้วบอกว่าถึงเวลาไปฉันจังหันแล้วพระผู้เป็นเจ้าขอลับท่านก็ยืนปณิพนิพานอยู่่เฉยๆอย่างนั้นนห ะ, ะเมื่อเห็นพระประเจรเมื่อประเหนพระมหาปทุมประเจรค์พระเจ้านิ่งเฉยอยู่โดยไม่รู้ว่าปริพนิพานแล้วก็คิดว่าคงจะหลับอยู่จึงเข้าไปจับที่เท้าก็รู้ว่าท่านปริพนิพานแล้วเพราะเท้าเย็นและแข็งกระด้าง ก็จึงไปตรวจดูรูปที่สองที่สามจนถึงห้าร้อยลูกขันทราบว่าพร น, นิพพานหมดแล้วก็กลับมากราบบังคมทูลพระราชเทวีให้ทรงทราบก็พระปิ จ, จิตรุจ้าพร น, นิพพานพร้อมๆกันถึงห้าร้อยลูกเพราะนั้นเราไม่ต้องตื่นเต้นจะมีคนโต๊ะล่มจมน้ําตายพร้อมๆกันอีกห้าร้อยคนก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะมันตายแง่ๆอยู่แล้วตายกันเนี่ยไม่ไม่รู้เท่าไหร่ตายพร้อมๆกันเนี่ย เวลาเกิดก็เกิดพร้อมๆกันก็มีมากมายนะในวัดจสงสารเนี่ยเวลาตายเนี่ยก็พร้อมๆกันก็เยอะแต่เรารู้สึกเป็นข่าวตื่นเต้นว่าแมหมไฟไหม้ตายเป็นร้อยจมน้ำตายเป็นร้อยในตึกถล่มตายเป็นร้อยตื่นเต้นนะแต่อันนี้พระบาเจย์ผู้เป็เจ้าปัจจุบัานห้าร้อยเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องปกติของความเกิดและดับของสังขาร น, นะนะเกิดมาเท่าไร่ก็ต้องดับไปเท่านั้นนั่นแหละแล้วเขาตายแล้วเนี่ยเขาว่าเกิดอีกอะสมมติว่าตายตรงนั้นนะนะจมน้ําตายไปตรงท่าพานกอนะนะ่ะตายไปห้าตายไปยี่สิบเจ็ดเขาว่านะก็เกิดเดียวนั้นนะนะั่นแหละยี่สิบเจ็ดอีกนั่นกันแต่ไปเกิดเป็นอะไรนี่ ไม่เหมือนกันแล้วนะไม่แน่ใจแล้วอันนี้แล้วแต่กรรมของแต่ละท่านแต่สําหรับพระพเจพุทู้เจ้าเนี่ยเมื่อปินี้พานห้าร้อยแล้วก็หมดเลยไม่มีการเกิดใหม่เพราะว่าตัณหาเนี่ยไม่มีกรรมที่จะนําไปเกิดก็สิ้นทําไมกรรมสิ้นก็เพราะตัณหาสิ้นมันเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเนี่ยให้เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติแต่เรา ทำยากมันไม่ค่อยคิดนะว่าเรื่องการเกิดการตายในปก ต, ติวันนี้อาตมาก็ไปเยี่ยมคนเกิดมาไม่งั้นไปเยี่ยมแม่เขาอะนะผ่าตัดเมื่อวานบอกแหม้หวาดเสียวนะบางคนเนี่ยร้องตัวสั่นเลยผ่าแต่ผ่าตัดคลอดลูกเนี่ยนะก็ทำให้คนที่อยู่ห้องใกล้ๆกันกลัวไปด้วยนะ อาตมาเขาบอกว่าออมันก็รักชีวิตกันนะนะความรักชีวิตมันก็มีด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละเขาทาไงได้พอดีเขาเขาผ่าตัดเขาไม่ต้องวางยาสลบเนี่ยเขาใช้วิธีล็อกข้างหลังเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าฉีดยาเข้าไขต้นหลังแล้วมันเป็นอีท <Ris> <concur rence. S 2> ่าไหนกัน่ะนะก็อเรื่องของชีวิตก็อย่างนี้แหละไปหาความสุขไม่มีนะ หาความสุขจากชีวิตเนี่ยเหมือนกับไปหาน้ําจากทรายก็ยังจะง่ายกว่าฮะไม่ได้หรอกเพราะนั้นเราให้ระลึกเป็นปกติเลยว่าไอ้ความดับความทิ่นาดย่อยยับเนี่ยมันเป็นปกติของชีวิตถ้ามันไม่ดับสิมันผิดปกติแต่ใจเรานี่มันไม่ค่อยระลึกถึงมันไม่ยอมรับมันไม่คุ้นเคย ทั้งๆ ท, ที่ท่านก็สั่งสอนให้เราคิดอยู่บ่อยๆเรื่องความเสื่อมลาภเสื่อมยศอะไรอย่างเนี้หรือว่าความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากให้คิดอยู่บ่อยๆแต่มันคิดอยู่แต่มันไม่ปกติใจไม่ปกติคือมันไม่ยอมรับไม่เห็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อบุรุษผู้นี้ทราบว่าพระปจเจพุทธเจ้าปณิพัน์แล้วก็กลับมากราบบังคมทูลพระราชเทวีให้ทรงทราบ พระอาทวีก็ทรงกันแสงก็หน้ากันแสงแนหะเพราะว่าทำบุญทุกวันคนเห็นกันอยู่ทุกวันในห้าร้อยห้าร้อยรูปทุกวันทุกวันแล้ววันนี้เกิดไม่เห็นเฉยๆอย่างนั้นนะอ่ะเราลองคิดดูแล้วกันวันนี้เรากลับไปบ้านแล้วไม่เห็นหน้าคนที่บ้านเลยเราจะรู้สึกยังไงอาจจะมากลับไปวัดเอ๊ะไม่เห็นหน้าใครที่วัดเลยเจะรู้สึกยังไงทำอีท่าไหนนะเพราะว่ามันไม่ได้เตรียมใจไวใช่ไ พระนั้นจึงต้องร้องไห้แล้วก็เสด็จออกไปพร้อมด้วยชาวเมืองได้ทรงเมุณาโปรดให้เล่นสาธุกีฬากีฬาแปลว่าการลเล่นสาธุก็คือแปลว่าดีนะให้การเล่นดีๆการเล่นที่ไม่ต้องมาเศร้าโศกเพื่อเป็นการไว้อาลัยไม่ต้องมาเศร้าโศกให้มีการลเล่นมีขนมีทิเกอะไรอย่างที่เราว่ากันเนี่ยต่อจากนั้นก็ให้ถวายพระเพลิงเสร็จจากการถวายพเพลิงแล้ว ก็โปรดให้เก็บอัฐินะเรียกว่าพระพระธาตุเนี่ยอัฐิธาตุไว้บรรจุในพระเจดีย์อันนี้เป็นเรื่องที่เขาทำกันมาเดินนานแล้วคือเขาไม่ให้คุณของพระประเจบุเจ้านะ่นยสูญไปเปล่าเปล่าเขาต้องมีที่เก็บเอาไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มาบูชาจะได้บุญมากมายเหลือเกินนะบูชาผู้หมดกิเลสเนี่ยไม่รู้จะกล่าวบุญได้อย่างไรนะบูชาผู้มีศีล มีปัญญาบริสุทธิ์เนี่ยไม่ไม่รู้จะกล่าวผลแห่งบุญได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเขาต้องเก็บไว้ให้ดีฝ่ายพระเจ้านันทราชได้ปราบปรามศัตรูในพรมแดนเรียบร้อยแล้วก็เสด็จกลับมาทรงพบกับพระราชเทเวีผู้เสด็จออกไปทรงต้อนรับจึงตรัสถามว่าพระน้องนางไม่ประมาทในการปฏิบัติต่อพระประเจชตเจ้าทั้งหลายหรือ พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายมีความสุขอยู่หรอกหรือก็แทนที่จะถามเรื่องอื่นไม่ถามนะพระราชาเนี่ยใจกังวลอยู่แต่พระประเจพุทธเจ้านะเขาถามเรื่องนี้เลยพระราชาเจวีทูลตอบว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายของเราบริญิพานหมดแล้วด้วยพระสุรเสียงและพระพักที่มีแต่ความเศร้าสลดอันนี้ก็คนเราเนี่ยไม่ชอบเลยไอ้ข่าวตายนะ ชอบแต่ข่าวเกิดนะลูกคนนั้นเกิดก็ต้องเอาของขวัญไปให้โอ้ยดีอกดีใจกันใหญ่แต่พอข่าวตายแล้วเนี่ยเจ้าสลดสังเวชนะไม่เห็นมีใครเอาของขวัญไปให้บ้างนะไม่มีนะเออตายแล้วก็ดีอนะไรเงี้ยไม่มีเพราะอะไรก็เพราะว่าเราต้องการความเป็นอยู่ เราต้องการชีวิตความเป็นอยู่เราไม่ต้องการความสิ้นชีวิตเพราะสิ้นชีวิตแล้วมันก็ไม่ได้มาเห็นกันไม่ได้มาคุยกันไม่ได้มาร่วมสุขร่วมทุกข์กันอะไรอย่างเนี้ยพระเจ้านันทราชเป็นบรเป็นบัณดิตนะตรงคิดว่าบัณดิตผู้ประเสริฐอย่างนี้ยังถึงซึ่งความตายเราจะพ้นจากความตายได้อย่างไรท่านเป็นยอดบัณดิตนะ อันดิตผู้ประเสริฐคือเป็นผู้มีปัญญาอันเฉียบแหลมสามารถรู้สัจจะความจริงที่กิเลสมันไม่เคยรู้นะที่ไอตัวโมหะโลภะไม่เคยรู้เนี่ยปัญญานั้นได้เข้าไปรู้แล้วเข้าไปฆ่าไอ้กิเลสคือโมหะและโลภะจนหมดสิ้นไปจากใจเนี่ยเป็นบุคคลผู้ยอดยังต้องปรินิพานคือยังต้องตายแล้วเราเราจะพ้นจากความตายได้อย่างไร อันนี้เป็นความคิดของคนมีปัญญาแท้ๆแล้วเกิดความสังเวชเรานี่ต้องคิดแบบนี้ให้ได้แม้พระพุทธเจ้าซึ่งยอดเยี่ยมสูงสุดในบรรดาบัณฑิตทั้งหลายคือพวกคนที่จะเรียกว่าเป็นบัณฑิตเนี่ยหัวใจของบัณฑิตนี่คือปัญญาไม่ใช่หัวใจของบัณฑิตนี่คือเสื้อคลุยหรือหมวกหรือประกาศตนียบัตไม่ใช่นะบัณฑิตฆ่าตัวตายบัณฑิตเป็นโจร เ, เป็นคนชั่วมีเยอะแยะบัณฑิตแบบนั้น แต่คนมีปัญญาแล้วที่จะทำชั่วเนี่ไม่มีอ่ะก็มันรู้จากความชั่วแล้วไปทำได้ยังไงมันรู้แล้วว่าผลแห่งความชั่วเนี่ยไม่น่าปรารถนาร้ายแรงเหลือเกินมาทำไม่ได้ไอ้ทีเรายังทำชั่วกันได้เนี่ยเพราะปัญญาเราน้อยหรือไม่มีปัญญานะี่ยเห็นว่าไอ้ชั่วนี่เอ้ยมันไม่เป็นไรมันมันดีแล้วมั้งเนี่ยทำแล้วมันสบายให้ความสุขแก่เราเนี่นะนะหรือจะให้ความสุขแกคนอื่นเขาด้วยที่มันจึงได้ทำกันนะความชั่ว อย่างเช่นง่ายๆโลภความโลภเนี่ยหรือความโกรธมันไม่ดีนะแต่เราก็เอ๊ะทาไมเราโลภอะ่ะทําไมเราโกรธ อ, อ่ะอ่ะก็เพราะเราเห็นว่ามันดีอด่สิต่อปัญญาเรายังไม่ได้เห็นโทษของความโลภโดยบริบูรณ์ไม่ได้เห็นโทษของความโกรธโดยบริบูรณ์เนี่ยมันก็ต้องมีมันไปอะ่ะแต่ถ้าบัณฑิตเช่นพระพุท ธ, เ, ธเจ้าเนี่ยมีปัญญาอันบริบูรณนะ์น่ะที่จะ กำจัดสิ่งที่เป็นโทษทั้งปวงนะไม่ว่าโทษเล็กโทษน้อยในบรรดาสิ่งที่เป็นโทษทั้งแล้วเนี่ยปัญญาเนี่ยเข้าไปรู้แล้วกำจัดได้ท่านกำจัดได้หมดเพราะนั้นที่เรามาพึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยมาพึ่งปัญญาท่านนะแล้วปัญญาขั้นต้นเลยที่เราพึ่งได้เขาเรียกว่ากรรมมักตะปัญญาปัญญารู้เรื่องกรรมและผลของกรรม ถ้าผู้ เ, เจ้าไม่มีปัญญานี้เราก็พึ่งท่านไม่ได้เราก็ไม่รู้จะไปทําทานทําไมให้ศีลรักษาศีลทําไมแต่เพราะว่าเรารู้เรื่องนี้จากท่านเราจึงเกิดมีปัญญาขึ้นมาได้ก็อาศัยปัญญาน้อยๆของเราเนี่แหละทําให้เราเนี่ยให้ทานรักษาศีลฟังธรรมแล้วก็เจริญปัญญาไปเรื่อยๆต่อไปได้ฟังเรื่องวิปัสสนาปัญญามากๆเรื่องลักษณะประจําตัวของรูปของนาม ฟังบ่อยๆเข้าปัญญามันก็จะเกิดหรือว่าได้ฟังลักษณะอนิจจลักษณะลักษณะมีแล้วหายไปของรูปของนามปัญญาก็สะสมไปจะเกิดจนกระทั่งได้ปัญญาที่เรียกว่ามรรคปัญญาอันนี้แหละเป็นอันว่าเราเป็นบัณฑิตกันแท้ๆแต่บัณฑิตทั้งหลายเช่นพระพุทธเจ้าก็ยังตายแล้วเราละ่ะจะไปพ้นความตายหรือก็ต้องตายแน่นอนพ้นไม่ได้หรอก เพราะฉะนั้นเมื่อคิดดังนี้แล้วก็ไม่ยอมเข้าภายในพระนครได้เสด็จไปที่พระราชอุทยานรับสั่งให้พระราชโชรถองค์ใหญ่เข้าเฝ้าแล้วตัดมอบราชสมบัติให้แล้วพระองค์ก็เสด็จออกทรงผนวดฝ่ายพระราชเทวีทรงทราบความเป็นไปของพระเจ้านันทราชก็ทรงผนวดตามบ้างด้วยทรงคิดว่า เมื่อพระราชาสวามีทรงผนวดแล้วเราจะอยู่เป็นคารวาตต่อไปทําไมคือที่ไม่ได้คิดเรื่องความตายอ่ะคิดเพราะว่าเอไม่มีสามีแล้วเนี่ยเมื่อสามีบวชเราก็ควรจะบวชจะมาอยู่คล อ, องบ้านคลองเมืองทําไมไม่มีประโยชน์อะไรเรียกว่าบวชตามนะบวชตามเพราะว่าเพราะความรักไม่ได้คิดถึงความตายแต่ว่าพระเจ้านันทราชนะคิดถึงความตาย ว่าเรานี่ไม่พ้นความตายเพราะนั้นเรานี่ไม่อยู่ที่ไหนก็ไม่มีไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สามารถที่จะรักษาชีวิตไว้ได้จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ในคลองราชสมบัติมีคนดูแลป้องกันความตายเขาข้ อ, อ, อมาทำลายได้เพราะฉะนั้นอยู่ในที่ที่มันมีความดีไว้คุ้มครองดีกว่าเขาออกบวชนะอยู่ในที่ไหนล่ะในที่ที่มีศีล น, นะ ในที่ที่มีการเจริญภาวนามีเมตตาเป็นต้นเอาละถึงแม้จะว่าป้องกันความตายไม่ได้แต่มันก็ยังดีนะมันก็ยังดีเพราะว่าไอ้ศีลก็ดีเมตตาภาวนาที่เราก็ทําไว้ก็ดีนะมันยังเป็นเครื่องกําจัดความกลัวตายให้ได้แต่ถ้าเรามีศีลดีมี เมตตาภาวนาดีเนี่ยมันเป็นที่พึ่งกำจัดความกลัวให้ได้และยังเป็นที่พึ่งที่จะทำให้เราไปเกิดดีหรือเป็นที่พึ่งที่จะทำให้เราพ้นจากความตายไปได้นี่สำหรับคนมีปัญญาจริงๆเลยว่าโอเราจะพ้นความตายได้เนี่ยเราจะต้องมีศีลให้บริสุทธิ์เราจะต้องมีปัญญาที่บริสุทธิ์เราจะต้องพ้นจากไอ้โลภโกรธหลงเนี่ยจึงจะพ้นจากความตาย ไอ้โลภโกรธหลงได้มันจะหมดสิ้นไปได้มันก็ต้องอาศัยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่หลงนี่ก็คือปัญญานี่เองนี่ก็เป็นความคิดของพระเจ้านันทราชออกบวช ด, ด้วยเหตุว่าสลดสังเวชใจคนในสมัยนั้นก็อายุก็คงจะยืนพอสมควรแต่เมื่อนึกถึงความตายแล้วอายุที่ว่ายืนนั้นมันไม่มันไม่มีประโยชน์อะไรแล้ว เมื่อความตายเนี่ยมันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหลืออะไรไว้เลยนอกจากความดีนอกจากบุญกุศลเท่านั้นที่ความตายยังทำลายไม่ได้อ่านี่เป็นเรื่องที่น่าคิดพิจน่าคิดอย่างยิ่งชีวิตของเราเนี่ยเราเฝ้ารักษาทนุถนอมไว้เพื่อให้ความตายมาทำลายแต่ว่าความดีบุญกุศลเนี่ยเราไม่ค่อยทนุถนอมกันทั้งที่ความตายเนี่ยทำลายไม่ได้ มันยังตามไปได้เนี่ยบุญกุศลน่ะอย่างเช่นเราให้ทานเนี่ยนะถ้าเราสะสมการให้การให้การให้เอาไว้เนี่ยไอ้เจตนาให้เนี่ยคืออโลภะเนี่ยนะมันจะติดตามไปนะเรียกว่าเป็นอุปนิสัยปัจจัยอุบแปลว่ายิ่งนิสัยแปลว่าที่พึ่งปัจจัยแปลว่าเหตุแปลว่าเหตุที่มีกําลังยิ่งที่ติดตามไปได้ มันติดตามไปได้ตลอดในวัฏสงสารเนี่ยเราต้องสะสมไว้หรือศีลก็เหมือนกันที่อยู่ในหัวใจของเราเนี่ยแล้วรักษาศีลให้บริสุทธิ์เนี่ยมันก็ตามไปได้ตามไปหลายหลายชาตินับแสนชาติเมตตาภาวนามีปัสสณาปัญญากุศลธรรมทั้งหลายติดตามไปได้เช่นเดียวกับอกุศลทั้งหลายคือโลภโกรธหลงมันก็ติดไปได้ สมมติเราเกิดมาแล้วเราก็พยายามสะสมความตันหนีเอาไว้ความอิจฉาลิษยาความโลภความชั่วทั้งหลายพยายามสะสมมาไว้นะเวลาความตายมันมาถึงมันไม่ได้ไปคายพวกนี้นะมันฆ่าแต่ชีวิตความเป็นอยู่แต่ไอความตันหนีความโลภอิจฉาลิษยาความเห็นผิดแล้วมันก็ตามไปด้วยมันเป็นอย่างนี้ความตายไม่ได้ฆ่ามันอะไรที่มาฆ่ามันต้องมักนะมัก ได้มักเมื่อไหร่แล้วก็วนี้จะคายลิษยาตนีแค่ได้โสดาปฏิมักก็ไม่มีแล้วความตนีความฤิษยาเนะี่ยหมดไปแล้วเนี่ยไอ้ศัตรูคู่อาฆาตของเราเนะี่ยไม่ใช่ใครเนี่ยกิเลส ท, ทั้งหลายพวกนี้แหละสิบสี่ชนิดนะกิเลส1ิบสี่ชนิดตามหลักอภิธรรมมีโลมีความโลภเป็นประธานเนี่ยสามชนิด โทษะสี่ชนิดโมหะอีกสชนิดรวมเข้าไปแล้วก็ไม่ใจน้อยแล้วนะกิเลสที่มันจะตามเราไปเป็นคู่อาฆาตจองเวรทำความทุกข์ให้เนี่ยมันไม่เคยสอนให้เราทำดีๆเท่าไหร่หรอกเรืนะ่องเรื่องของกิเลสเนี่ยน้อยนักที่มันจะให้เราทำความดีที่นี้ทั้งสององค์ก็ทรงตั้งพระไทยบําเพ็ญสัปนธรรม จนสามารถกระทําฌานให้เกิดขึ้นได้ไม่ใช่ธรรมดานะการได้ฌานเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีความเพียรมากมีอิทธิบาทมากนะฉันทาวิริยะจิตตะวีมังสาเนี่ยต้องมีมีปัญญาด้วยมีศีลดีด้วยเนสมัยนี้เห็นมีแต่คุยกันนะว่า เข้า ช, าน น, ออชานนู่นออกชานนี้ได้ชานนั่นอะไรเนี่ยโกหกกันแทบทั้งนั้นนะส่วนใหญ่ไม่ใช่ได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นเมื่อมรณภาพแล้วก็ได้เกิดในพรหมโลกไปเกิดในพรหมโลกอยู่นานเลยจนมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าปัจจุบันบุคคลทั้งสองก็ได้ตายจากพรหมโลกมาเกิดเป็นมนุษย์ทีนี้ก็เป็นพระมหากัสปเทระกับเป็นนางพัฒากาปิลานี ที่ได้ที่ได้กล่าวไว้ใ่เบื้องต้นแล้วนะทีนี้ในคาถาที่ได้แสดงไว้ก่อน<ม>ก็เป็นคาถาเกี่ยวกับคุณของพระมหากัสปะเทระอีกคาถาหนึ่งที่พระพุทธเ จ, จ้าท่านทรงยกย่องไว้เนี่ยคือพระพุทธเ จ, จ้าเนี่ยยกย่องพาระอรหันตทุกองค์แหละ โดยจะเพราะพระมาากัศสปเทเรเนี่ยก็ทรงยกย่องบ่อยรวบรวมไว้ไว้หลายแห่งในเรื่องนี้ก็จะนำมาแสดงประกอบว่าเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในพระเวรุวันก็ได้ปรารบถึงพระมาหากัศสปะ โดยมีความพิสดารว่าพระศาสดาทรงจําพรรษาอยู่ในกรุงราชครึกแล้วได้ทรงแจ้งให้แก่ภิกษุทั้งหลายทราบว่าต่อไปข้างหน้าอีกครึ่งเดือนก็จะออกไปเพื่อจาริกไปในที่ต่างๆด้วยประสงค์ว่าภิกษุทั้งหลายจะได้ทํากิจการต่างๆมีการระบมบาตรเผาบาตรนะ่ะแล้วก็ย้อมจีวร แล้วก็จะได้เดินทางไปตามสบายนี่เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้มีพระประสงค์จะเสด็จจาริกไปกับพวกภิกษุก็เมื่อพิกษุทั้งหลายกำลังทากิจต่างๆอยู่นั้นพระมหากัสสะเทระก็ทาด้วยคือซักจีวรทั้งหลายด้วยท่านก็ถือบางสุกุลจีวรนะบางสุกุลก็ผ้าเปืือนฝุ่นนะผ้าที่เขาทิ้งแล้วเนี่ย พวกภิกษุก็เห็นพระเถระซักผ้าบางสุกุลก็ตำหนิติเตียนว่าเพราะเหตุไรพระเถระจึงมาซักผ้าจีวรเพราะว่าในพระนครราชครุเนี่ยทั้งภายในภายนอกมีมนุษย์อาศัยอยู่ถึงสิบแปดโกรดสิบแปดโกรดนี่ก็หมายร้อยแปดสิบล้านเนี่ยบางคนเขาว่ามันไม่เป็นไปไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้ไปดูดูแล้วมันมีไม่เท่าไหร่นี่นะ ใครที่เคยไปอินเดียที่เคยขึ้นไปบนภูเขาคิชกูดไปเฝ้าพระคันธ ก, กุดีพุทดธ เ, ดเจ้าแล้วหม้แมองไม่เห็นมนุษย์เท่าไหร่เลยนี่เดี๋ยวนี้มันมีน้อยทมงไปนั้นมันมีตั้งร้อยแปดสิบโกดมออีมีมีสิบแปดโกดร้อยแปดสิบล้านเนี่ยนะบรรดามนุษย์ทั้งหมดนั้นอะพวกใดที่ไม่ใช่ญาติของพระมหากัสปะเทระพวกนั้นก็เป็นอุ ป, ปถาคคือญาติก็มีมาก แล้วพวกที่ไม่ใช่ญาติก็เป็นอุปถากพวกใดที่ไม่เป็นอุปถากพวกนั้นก็เป็นญาติคือมีสองพวกเท่านั้นเองคือญาติกับอุปถากสิบแปดโกรธนี่ไม่ใช่น้อยนะชนเหล่านั้นย่อมถึงความนับถือและสักการะแด่พระเถระด้วยปัจจัยสีพระเถระจักสามารถละอุปการะมีประมาณเท่านี้ไปที่ไหนได้ถึงแม้ไปได้ก็ไม่ไปเลย คือไม่ไปพ้นจากซอกเขาที่ชื่อมาประมาทะนะมาประมาทะนะชื่อชื่อชื่อชื่ อ, อ น, นั้นชื่อนี้ก็มีความหมายซอกเขาไม่ประมาทซอกเขาที่พระพุทธเจ้าจะตัดจะตัดแก่พระภิกษุทั้งหลายที่จะกลับอ่ะที่จะกลับที่มาส่งเสด็จว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงไม่ประมาทเถอดอันนี้เป็นคำของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเราเจอกันก็จะต้องถามกันนะเราชาวพุทธไม่ต้องสวัสดีก็ได้ ท่านหรือคุณหรือเธอไม่ประมาทในการทำบุญหรือเปล่าต้องถามกันอย่างนี้นะเป็นเรื่องที่ควรทำหรือประมาทไปซะแล้วละเลยการทำบุญกุศลแก่ชีวิตตัวเองซะแล้ว